พระธรรมเทศนาของพระอาจารย์มหาบัวยานะสัมปโนโแสดงอบรมคณะม อ, อ่วยและพระภิกษุสามเณรณวัดป่าบันตาเมื่อคืนวันที่8พฤศภาคมพศ2511เป็นกันต่อจากเมื่อคืนนี้จีบเป็นของละเอียดมาก หรือสึกจะมีความละเอียดเนือสิ่งใดๆและไม่ปรากฏร่องรอยที่ไปและมาแม้จะท่องเที่ยวอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนร่องรอยของจิตที่พอจะยึดได้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น เหมือนด้านวัตถีนี้ไม่มีท่านเตียบไว้เหมือนกับนกบินบนอากาศไม่มีร่องรอยนั้นะอีกตอนหนึ่งเตียบถึงท่านผู้บริสธิตที่ได้รากจากร่างนี้ไปแล้ว ไม่มีร่องรอยว่าจะไปเกิดหรือไปตั้งอยู่ในสถานที่ใดอย่างนี้อีกเหมือนกันแม้จะยังจิตจะยังมีสมมติอยู่ภายในตัวที่เรียกว่ากฎแห่งกรรมก็ตามแต่จิตก็ไปตาม ธรรมชาติของจิตที่มีความละเอียดประจำตัวอยู่แล้วแม้จะไปสู่สถานที่ใดนึกจะเกิดในที่ใดๆการไปของจิตนั้นก็ไม่มีใครสามารถจะทราบได้นอกจากท่านผู้มีญาณซึ่งควรจะรู้ได้ถนั้น ตามธรรมาชาติของจิตแล้วมีความละเอียดประจําตนอยู่เสมอเช่นนี้จึงยากที่จะพิสูจน์ให้ทราบได้การปฏิบัติบําเพ็ญมีการภาวนาเป็นต้นนี่แหละท่านว่าเป็นทางพิสูจน์เรื่องความรู้คือใจของตัวเอง และความเคลื่อนไหวของใจว่าจะกระเพื่อมไปสู่วัตถุหรืออารมณ์ใดไม่ว่าส่วนอยากส่วนกลางส่วนละเอียดไม่ว่าจะเป็นอารมณ์อดีตอนาคตหรือกำลังปรากฏตัวอยู่ในปัจจุบันคือขณะนี้จิตที่ตั้งความรู้สึกไว้จำเพาะฐานที่เกิอดอารมณ์ คือใจของตัวเองนี้มีทางที่จะทราบได้ในความเคลื่อนไหวของต้นมนเบื้องต้นก็ทันบ้างไม่ทันบ้างเพราะสตินิปัญญาเราก็พึ่งเริ่มฝึกหัดเริ่มตั้งหลักตั้งฐานขึ้นด้วยการพยายามคือการภาวนา ฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีสติคอยรับทราบอยู่กับความรู้ผู้ใจดวงนี้ก่อนจะปรากฏภาพต่างๆจะเป็นภาพที่มีวิญญาณหรือไม่ก็ตามจะต้องมีความกระเพื่อมจากความรู้นี้ก่อน ถ้ายังไม่กระเพื่มภาพก็ยังไม่ปรากฏขณะที่กิดกระเพื่อมก็เป็นขณะเดียวที่กิจจะแสดงจะออกแสดงภาพให้ตัวรู้ตัวเึ่งจะเป็นภาพที่น่าเพลิดเพลินภาพที่น่าเสียใจหรือภาพที่น่ากลัวก็ตาม จะต้องแสดงออกจากความกระเพื่อมของจิตเป็นสำคัญนี่พูดถึงขณะที่เราภาวนาส่วนภาพที่ปรุงขึ้นภายในใจตามปกติของคนทั่วไปนั้นมันเป็นเรื่องของความคิดเดี๋ยวปรากฏเรื่องนั้นปรากฏเรื่องนี้ปรากฏคนนั้น พอเราคิดถึงคนไหนก็ปรากฏภาพคนนั้นขึ้นมาอันนี้ถือเป็นธรรมดาซึ่งไม่ความีอะไรร่อแหลมนะเพราะโลกโลกทั้งหลายก็คิดกันได้ไม่มีความเสียหายจากความคิดอย่างนั้นแต่ภาพที่ปรากฏขึ้นในขณะพอ น, น, นั้นมีส่วนจะทำให้เสียได้จะอย่างไรก็ตาม ภาพต้องปรากฏขึ้นในขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกไปถ้ามีแต่ความรู้ล้วนๆจะยังไม่ปรากฏเพราะนั้นจิตเวลาอยู่เฉพาะตัวเอง คือรู้อยู่จเฉพาะตัวเองจริงๆไม่แสดงตัวออกไปภายนอกสิ่งต่างๆจึงไม่สามารถจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับใจนั้นได้ดังท่านเข้าสมาธิขณะที่จิตเข้าอยู่ในองค์ของสมาธิคือความสงบแน่วแน่ตามหลักของสมาธิจริงๆแล้วจะไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องเลยในเวลานั้น ตอเมื่อจิตได้ถอนตัวออกมาจากตุกนั้นนั่นแหละถ้ามีเรื่องก็จะเกี่ยวข้องกันคือมีเรื่องเกี่ยวกับภายนอกก็จะรับทราบได้เหตุได้ผลรเรื่องรู้ราวกันในเวลานั้นถ้าเทียบอุปมาก็เช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านของเราแล้วปิดประตูบ้านไว้ด้วยแขกคนหรืออะไรจะมา จากที่ไหนมาอยู่ภัยนอกฝาเดือนเหล่านั้นเราจะไม่มีทางทราบนะเพราะขณะนั้นไม่ใช่ขณะที่เรารับแขกต่อเมื่อเราออกจากในบ้านของเราเปิดประตูออกมานั่นแหละเราจะทราบเรื่องราวทั้งหลายที่ มีอยู่ภายนอกเรื่องของจิตก็ย่อมมีลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันความรู้ของจิตนี้รู้สึกว่าพิสดารมากตามจิ น, นิสัยของผู้บำเพ็ญไม่เหมือนกันบางรายก็ไม่ค่อยมีเรื่องแสดงภาพต่างๆให้เห็น เป็นคนเป็นเิษเป็นผีเรื่องคนล้มคนตายให้ปรากฏในเทวนาอ่างนี้บางบางรายไม่ค่อยมีแต่บางรายพอจิตสงบแล้วแสดงขึ้นมาทันทีเพราะหลักธรรมชาติที่ปรากฏเชน่นนี้นั้นไม่ได้ศึกษามาจากครูจากอาจารย์แต่จะปรากฏขึ้นกับจดิตนิสัยของผู้บำเพ็ญ เวลาจิตสงบแล้วหากที่สายมีในทางที่จะรู้เห็นสิ่งต่างๆก็ต้องแสดงออกมาให้เจ้าตัวรู้ตอเมื่อเราได้รู้ได้เห็นสิ่งนั้นว่าแสดงอาการอย่างไรบ้างแล้วนั้นเรามีทางที่จะศึกษาปรารถหรือไต่ถามครูอาจารย์ได้ว่าจะควรปฏิบัติต่อสิ่งนั้นอย่างไรบ้างหนึ่ง แต่หลักนิสัยนั้นจะไม่ได้ถามจะไม่ได้ศึกษาเราเรียนจากผู้ใดแต่จะปรากฏขึ้นมาให้ผู้มีนิสัยในทางนั้นรู้โดยเฉพาะตัวเองผ่านนิสัยไม่มีก็ไม่รู้ไม่เห็นการไม่รู้ไม่เห็นก็ไม่เป็นการที่จะตัดทอนประโยชน์ของผู้บาเพ็ญในนิสัยเช่นนั้น ผู้มาเห็นไม่รู้ก็ไม่สนใจแต่ผู้เห็นผู้รู้ตามนิสัยของตนก็ต้องปฏิบัติให้ถูกกับเจริตของตนถ้าไม่ถูกก็มีทางเสียได้เหมือนกันคำว่าจิตอันแท้จริงนั้นมีแต่รู้เท่านั้นไม่ปรากฏว่า รู้ในลักษณะอย่างไรบ้างเป็นธรรมชาติที่รู้รู้อยู่เท่านั้นเละนั่นแหละเป็นธรรมชาติของจิตแท้ลักษณะที่แสดงออกเป็นสีสันมณะหรือเป็นภาพต่างๆนั้นเป็นอาการอันหนึ่งที่แสดงออกมาจากจิตซึ่งไม่ใช่จิตแท้อาการเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เกิดเกิดดัปดับตามคติธรรมนาของเขา แต่ผู้ที่รู้ในหลักธรรมชาติของตัวเองนี้จะไม่มีการขาดวักขาดตอนในความรู้ไม่มีการเกิดและดับไปคือการเกิดขึ้นก็ ม, มีการดับไปก็ ม, มีมีแต่เป็นธรรมชาติที่รู้อยู่เท่านั้นนี่แหละท่านเรียกว่าเป็นธรรมชาติของกิจแท้ถ้าได้พิจารณาอบรมให้ถึงแก่นของความรู้อันแท้จริงแล้วนั้นท่านเรียกว่าความรู้อันดั่งเดิม ความรู้อันนี้หมดการเปลี่ยนแปลงกิริยาที่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นอาการอันหนึ่งซึ่งเกิดจากธรรมชาติอันดั้งเดิมนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นจึงมีการเกิดเกิน ด, ดับดับมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นลักษณะต่างๆซึ่งเอาแน่ไม่น่าไม่ว่าเราจะปฏิบัติธรรมขั้นต่ำขั้นกลางหรือขั้ น, น, น, น, นสูงอาการอันนี้จะต้องมีไปตามๆกันคือเวลาใจยังมีสิ่งแวดล้อมตน หยาบอยู่อาการที่แสดงอยู่ในขั้นนั้นก็ต้องแสดงอาการหยาบภาพก็เป็นภาพที่หยาบอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ที่หยาบพราะอาการที่เกี่ยวข้องกับจิตค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นไปอารมณ์ก็ค่อยเปลี่ยนไปสู่ความละเอียดจนจิตเข้าสู่ความละเอียดอย่างเต็มที่ สิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตซึ่งไม่ใช่จิตเดิมแท้นั้นก็ต้องแสดงอาการที่ละเอียดอย่างยิ่งเหมือนกันแต่ทั้งสามอาการนี้เรียกว่าเป็นอาการของจิตทั้งนั้นไม่ใช่จิตอันดั้งเดิมแท้ผู้พิจารณาจึงต้องอาศัยอารมณ์เหล่านี้ เป็นเครื่องทดสอบฝึกหัดสติปัญญาถือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนนี้เป็นเหมือนหินลับมีโกนให้ผมกล้าไปสมนปัญญาสติต้องอาศัยเหล่านี้เป็นเครื่องฝึกซ้อมและรู้เท่าทันกันไปเป็นระยะระยะจนหมดไม่มีอาการใดเหลืออยู่ แสงอยู่ภายในจิตนั่นเลยสิ่งที่มีอยู่ตามหลักดั้งเดิมของตนก็คือความรู้ด้นล้วนนี่หละเป็นแก่นแห่งความรู้แท้เป็นความรู้ในหลักธรรมชาติแท้ทิ้งไม่มีทางที่จะแปลเป็นอื่นไนะ ท่านที่บำเพ็ญตั้งแต่ต้นชำละหรือพิจารณาให้รู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตมาเป็นชั้นๆจนถึงธรรมชาติอันดั้งเดิมของจิตนั้นแล้วจิตท่านเป็นอย่างนั้นแหละถึงหลักหรือถึงธรรมชาติอันไม่เปลี่ยนแปลง ท่านไม่หลอกกลวงท่านจึงหมดความหวั่นไหวเพราะไม่มีสิ่งที่จะมาหลอกลวงหนึ่งไม่มีสิ่งที่จะหลงสิ่งตามสิ่งหลอกลวงนั้นห่งเหตุที่จะให้เกิดความหลอกลวงก็ไม่มีคือต้นเหตุที่จะให้เกิดความหลอกลวงก็ไม่มีผลที่จะให้เกิดความลุ่มหลงรื้ เดือดร้อนเสียใจไปตามก็ไม่มีท่านจริงอยู่เป็นเอกเทศอันหนึง่งโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องเสกสรรไม่ต้องระมัดระวังคือไม่ต้องตั้งท่าตั้งทางไม่ต้องมีอาการใดซึ้นเป็นอาการที่จะสวนรักษาหรือต้านทานกัน กับสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายเพราะต่างอันต่างจริงต่างอันต่างมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของผมทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตทั้งจิตผู้รู้สิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งหลายมีเรียกว่าท่านผู้หมดเหตุหมดปัจจัยรู้อยู่ในหลักปัจจุบันของท่านทุกๆกขณะ ว่าไม่มีการสื่อต่อกับอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุให้ยั่วกิเลสพุ่งขึ้นมาเหนยอหลักธรรมะคำอสอนของพระพุทธเจ้าที่อุบายแนวทางตั้งแต่ขั้นเริ่มแรก จนถึงจุดหมายปลาทางแห่งความสมมุติและวิ ม, มุติคือถึงความบริสุทธิ์ของจิตไม่มีโอวาทใดที่จะสามารถชี้ให้ถูกต้องและผู้ปฏิบัติในพ้นภัยไปได้จริง ดังสวัค้าตาธรรมของพระพุทธเจ้าบรรณาผู้ปฏิบัติตามสวัคาตาธรรมจนได้รู้แจ้งเห็นจริงถึงภูมิแห่งธรรมขั้นนี้แล้วก็หนึ่ง แม้จะไม่เป็นอันเดียวกันกับพระพุทธทเจ้าก็ตามเพราะต่างคนตา่างบริสุทธิ์แต่ก็เป็นเหมือนกับเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธทเจ้าเพราะความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับความบริสุทธิ์ของท่านผูู้้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้านั้นเป็นความบริสุทธิ์เช่นเดียวกัน ไม่มีสิ่งใดหรืออาการใดที่จะผิดแปลกกันไปแม้แต่นิดหนึ่งที่ให้ชื่อว่าสมมุติเพราะความผิดแปลกท่านเรียกว่าสมมติทั้งนั้นดูในสถานที่ใดเราอยู่ชั้นใดก็เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ชั้นนั้นเรารู้อยู่ชั้นใดเหมือนพระพุทธเจ้ารู้อยู่ชั้นนั้น เรารู้อยู่ในขณะ น, นี้ก็เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ในในขณะเดียวกันฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าจะนิพพานไปกี่เวลาและนิพพานอยู่ในสถานที่ใดนั่นจึงไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านผู้รู้องค์แห่งพุท ธ, ธะอันแท้จริงตามเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีการมีเวลาไม่มีสถานที่นั่นเป็นสถานที่อันหนึ่งต่างหาก ซึ่งเป็นที่ประทับหรือเป็นที่บำเพ็ญของพระพุทธเจ้าที่มีพระกายอยู่พระกายก็เป็นสมมุติสถานที่จึงต้องแสดงสมมติขึ้นมาการเวลาจึงต้องแสดงขึ้นไปตามๆกันต่อเมื่อได้ถึงขั้นแห่งความโมโนสุดหมดจุดที่หมายแห่งความสมมุติแล้วนั้นไม่ว่าสาวกองใดแม้จะตรัสลูขึ้นในขณะนี้ก็เป็นเหมือนได้เห็นพระพุทธเจ้าในขณะนี้ เพราะหนึ่งคำว่านิพานแล้วนั้นไม่ปรากฏเพราะนั่นเป็นแต่เพียงร่างที่พรากจากกันไปเท่านั้นร่างของพระพุทธ เ, เจ้ากับร่างของสัตว์โลกเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันเดียวกันแต่ธรรมชาติที่รู้นั้นกับผู้ที่รู้ขึ้นในขณะ น, นี้ไม่มีอะไรผิดแปลก นี่แหละการที่พระพุทธเจ้านี้ผ่านไปนานเท่าไหรหรือไม่นั้นยิงไม่เป็นปัญหาไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีบุคคลเป็นแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆอยู่เท่านั้นแล้วการเวลาไม่สามารถจะเข้าไป เกี่ยวข้องได้อีกว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้จะตั้งอยู่ได้นานเท่าไหร่เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่กาดังที่ได้อธิบายผ่านมาแล้วมิคุณใครจะให้ชื่อให้นามว่าอย่างไรก็ตามธรรมชาตินี้ก็คือธรรมชาตินี้อยู่นั่นแหละ ไม่เป็นไปตามความสมมุติชื่อเสียงที่ตั้งให้แต่เป็นธรรมดาของโลกที่มีสมมุติจะไม่ให้ชื่อไม่ไมให้นามไม่มีกุญแหมายป้ายทางย่อมเป็นไปไม่ไดฉะนั้นหลักธรรมะที่พระองค์ท่านแสดงไว้ทุกบทบ ท, ทุกบาทจึงเป็นกูญแหมายป้ายทางเพื่อผู้ดำเนินใจรู้วิธีปฏิบัติและหยิบยกขึ้นมาประพฤติปฏิบัติตามจริตนิสัยและความสามารถของตน ดังนั้นทำจึงต้องเป็นสมมติไปเช่นเดียวกับโลกที่มีสมมุติทางเหตุก็ต้องมีสมมุติผลที่แสดงไปเป็นลําดับลำดั บ, ดบก็ต้องเป็นสมมุติแต่ละประเภทประเภทจนกระทั่งถึงหลักธรรมชาติอันแท้จริงแล้วนั้นนั่นไม่เป็นปัญหาจะชื่อให้มีสมมุติเหมือนโลกทั่ ว, วไปก็าตาม ไม่ตั้งชื่อให้ก็ไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกับเรารับทานมีความเตรียงพอกับธาตุขันยันจะตั้งชื่อให้ว่าอิม่มหรือไม่อิ่มก็ไม่เป็นปัญหาสาหรับผู้พอแส่การรับทานเนี่ยยอมจะทราบตนได้อย่างชัดเจนนี่นะท่านเรียกว่า ของอิเศษคือจิตดวงนี้พยายามเอาหลักธรรมะนี่แหละเข้าไปบปนเครื่องขัดเกลาวแก้ไขดัดแปลงเข้าไปทุกระยะใจชอบกดขี่บังคับต้องอาศัยการกดขี่บังคับผัานบ้าง ถ้าหากใจไม่ชอบแล้วเราก็เคยปล่อยตามอำเภอใจมาบ้างเป็นบางการบางเวลาก็พอจะทราบผลว่าแสดงตัวขึ้นมาอย่างไรบ้างเมื่อเราได้ปล่อยให้เป็นไปตามความชอบใจโดยไม่ต้องมีการกดขี่บังคับหรือดัดแปลงผลก็ย่อมเป็นไปตามยถากรรมม่เห็นปรากฏขึ้นมาเป็นที่พอใจเรา ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะปรากฏผลขึ้นมาให้เป็นที่พอใจก็เนื่องจากการดัดแปลงแก้ไขให้ได้อย่างใจของตัวคือบำเพ็ญเหตุให้ถูกต้องตามผลที่เราต้องการผลก็แสดงตัวขึ้นมาเพราะอำนาจของเหตุเป็นเครื่องเสริม ใ, ใจของเราก็เหมือนกันต้องอาศัยการฝึกอบรมการขู่เข็น ดัดแปลงหรือให้มีกฎเกณฑ์ขอบเขตบังคับไว้บ้างในการที่ควรจะทำจิตจะได้รู้ขอบเขตจะได้รู้ว่ามีตนมีเจ้าของใช่ัหงถ้าปล่อยเลยตามเลยประธรรมนาก็เหมือนสัตว์ไม่มีเจ้าของไม่ทราบเป็นตายอันตรายจะเกิดขึ้นมาแก่สัตว์ประเภท น, น, นั้นเมื่อไหร่ เพราะตุกสิ่งตู้อย่างถ้ามีเจ้าของแล้วคนอื่นวิชาอื่นก็เป็นขามเหมือนกันไม่กล้าอาจเอื้อมเข้ามาทีเดียวใจที่ทําตัวให้มีเจ้าของสิ่งที่จะมาทําลายฤทธ์มาทําให้ชอกช้ำหรือรังควานลังแกแบบนี้ก็ไม่กล้าเข้ามาให้ถึงตัวอย่างง่ายๆเพราะมีขอบเขตมีรั้วกัน้นมีสิ่ง คอยจะต้านทานกันอยู่จิตที่มีความภาคเพียรมีเหตุมีผลเป็นเครื่องรักษาหรือต้านทานกันอยู่สิ่งที่จะทำให้จมลงไปก็ไม่มีโอกาสหรือไม่สามารถจะมาทำเอาอย่างง่ายได้ฉะนั้นหลักธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงประทานเอาไวา้ก็เพื่อเป็นรู้วกันจิตใจความประพฤติของเราให้มีขอบเขต มีทางเดินเราจะไม่เป็นผู้จนกรอบจนมุมทั้งในปัจจุบันวันนี้วันหน้าชาตินี้และชาติหน้าเพราะเราไม่ได้สร้างความจนกรอบจนมุมไว้เพื่อตนนอกจากจะสร้างความสมหวังไว้เท่านั้นผลจะเป็นที่สมหวังขึ้นมาเป็นระยะระยะนับแต่ปัจจุบันวันนี้ถึงวันหน้าชาตินี้ถึงชาติหน้าจนกระทั่งถึงอวสานสุดท้าย จะปรากฏแต่สิ่งที่พึงปรารถนาทั้งนั้นเพราะการทำความดีทั้งทั้งมวลจะเป็นการทำด้วยการบังคับหรือการความชอบใจข้อตางผลจะต้องแสดงออกมาให้เป็นที่พึงพอใจเช่นเดียวกันหมดคิดไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อย ซึ่งพอเราจะมองข้ามไปแต่เป็นเรื่องใหญ่โตมากเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องเกิดเจเจ็บตายเรื่องทุกข์เรื่องทรมานทั้งหลายถ้าไม่ใช่เรื่องของจิตจะเป็นเรื่องอะไรจะมีมาจากที่ไหนถ้าไม่ใช่จิตเป็นสาเหตุก็อเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาให้ปรากฏแก่ตัวเลยเมื่อเป็นฉชนนั้นจิตจริงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเห็นทุกข์ไม่เป็นของสาคัญเวลาทุกข์มาถูกต้องตัวเรา ก็อยากแสดงอาการโกรมผู้เราเท่าทุกไม่สาคัญถึงกับจะทําเราให้ทกรุผู้รายหรือหวั่นไหวแต่ตามแต่ที่เป็นทั้งนี้ก็เท่าว่าทุกเป็นของสาคัญทุกมีสาเหตุเป็นมาจากไหนถ้าม่นจะเป็นมาจากกิตที่ไมร่รู้เท่าถึงการกับตัวเองและสิ่งที่เกี่ยวข้องพอจะให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราไปฉะนั้นจึงต้องมองดู ต้นเหตุที่จะก่อเรื่องขึ้นมาด้วยการกำหนดการพจารณะหาอุบายวิธีแก้ไขจิตใจของเราให้พ้นจากความจนกรอกจนมุมให้ได้ไม่มากก็น้อยผลต้องแสดงขึ้นมาเพราะเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าผู้ชั่งะผู้เที่ยวชาญที่สุดในไรโลกธาตุไม่มีใครเสมอเหมือนธรรมะที่ตรัสไว้ตุบทุบาทเป็นธรรมะของทาง่านพุทธาเที่ยวชาญท่งนั้น เราเป็นลูกศีลป์ธ า, าตุจึงสมควร้วที่จะหยิบยกเอาธรรมะที่ฉลาดเข้ามาเป็นเครื่องประดับจิตใจของเราอย่าให้เสียเล่เหลี่ยมแา่ที่เรียกศาสนาอาสวะที่จะฉุดลากให้เราเข้าสู่ความจนกรอบจนมึนหมัดนี้เป็นการอันควรอย่างยิ่งที่เราจะได้บำเพ็ญหรือประดับสติปัญญาของเราให้มีความรู้ความเฉลี่ยทานปณัญญา ของจิตที่แสดงและถูกลากเราไปคูอสิ่งที่ไม่ต้องการมาเป็นเวลานานแครถึิ้งในประสบพบเห็นความสมหวังเป็นชั้นๆเพิขึ้ น, นด้วยการพึ่หัดดัดเดินพึกฝนทรมานตนเองแช้ยากลหมากแล้ก็ทนเพราะทนเพื่อจะก้าวพ้นจากทุกข์ยกที่อันตรายแต่ทุกยากลำบาก็ต้องฝืนใช้ยากเป็นท่านไสิ่งที่ ชัดไม่พึงปรารถนาแต่กลับกลายเป็นความสุขขึ้นมาให้เป็นที่พึงปรารถนานี่ชื่อว่าทุกเปลี่ยนแปงตัวเองไปชัดเจาะก็ไม่จริงแต่นี้ไม่เป็นเช่นนั้นเกิดในขณะใดก็ต้องเป็นทุกขณะนั้นไม่ว่าจะเกิดในชัดในบุคคลและเกิดในเวลาใดต้องเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทําผู้สงบจุกให้เลยลับความรุนุรายไปทันทีเรื่องความสุขก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน เกิดในสมัยใดการใดเกิดก <an> ับบ <an> ุคคลหรือสัตว์ตัวใดย่อมเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาเมื่อสรุปความแล้วดีกับชั่วในสมัยโน้นกับสมัยนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นสิ่งที่สัตว์พึงปรารถนาและเป็นสิ่งที่สัตว์ขยะขยงเช่นเดียวกันตลอดมาทุกเป็นสิ่งที่น่าขยะขยงแขงหรืน่ากลัวตั้งแต่โน้นกับมาถึงสมัยปัจจุบันนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยเป็นสิ่งที่น่าขยะขยงแขงหรืน่ากลัวเหมือนกันหมดตลอดสาย ความสุขเป็นสิ่งที่สัตว์พึงปรารถนาก็ย่อมเป็นอย่างนั้นตลอดมาจนถึงบัดนี้เมื่อเป็นฉะนั้นความพ้นจากทุกข์จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปที่ไหนถ้าแม้เป็นบรมมาสุขดังที่พระพุทธเจ้าสอนไว้และทรงสู้ลงทรงรู้ทรงเห็นมาแล้วผู้ใดได้ทําตัวให้รู้แจ้งเห็นจริงตามหักธรรมชาติผู้นั้นก็คือเป็นผู้สมบังเป็นผู้พ้นแล้วจากทุกทุกข์ทั้งปวงเช่นเดียวกับครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่และธรรมที่กล่าวนี้ทั้งหมดมีอยู่กับเราทุกทุกท่าน ไม่ได้ไปที่ไหนแม้ขณะนี้ก็ฟังอยู่รู้อยู่เห็นอยู่คือผู้รู้รู้อยู่นี่แหละจะค่อยขยายตัวเองให้ถูกความละเอียดเยกภายแต่เป็นลาดับหากได้รับการอบรมปฏิบัติตนอยู่เสมอเช่นเดียว ก, กัต้นไม้ที่รับการกบํารุงลําต้นเสมอก็มีวันที่จะคีบดอกออกผลให้รับประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของเช่นนั้นดังนั้นแนวสารแห่งการแสดงธรรมก็เหมือนมันเชื่อมโยงกันจึงขอรู้สึกเพียบเลย